<c oughs> อ่าการมะพร้าวหน้าอากันมะ ห, หินหมักเตะรังคนกันมามาเบิงว่ามันวิวซิ่งชัรดรังคนกันมามาเบิงว่าวิวซิ่งชัดมันง่ามรังคนกันมาเบิงเพื่อได้ยินใจซื้อเสียงวมะฮีนหมักเตะแต่พวกเข้ามา่คืดว่ามาพราวหน้าแล้ะการมาภาวหน้าเหมือนการมา ฟึ๊บัดฟึกบัตภาวนาฟึ๊บฟึ๊บฮัตให้ปรับปรุงตัวเจ้าของเพราะฉะนั้นขันมากแล้วแย่าไปปรับปรุงผู้อืน่นด้วยันซ้อมก็ซ่อมเจ้าของสังเกตเจ้าของอย่าไปสังเกตผู้อื่นหลายสังเกตผูอ้อื่นแต่ใช้พวกรยางฝ่าบ่ห้มันต่ากันเท่านั้นล่ะแล้วครับพ้นกลับขึ้นมาอันนี่มาซ่อมเจ้าของเบิ้ง ซ้อมเดียวก็ข้อมือก็มีซ้อมกายซ้อมว่าใาซ้อมใจจริงๆแล้วมันมันแน่สี่ท่องสีซ้อมบางสี่เอามันเอาอยืนนี่แหละภาวนานะพราะมันเอายืนน้ำเดินวัดว่ามันเอายืนน้ำปาน้ําดงย่างดอกมันเอายืนน้ําใจน้ํากายเ่านี่การเท่านี้ไไปใแล้วบ่พอเดมุขพอมองติดใจภาวนาเด็กันรจิเป็นภาวนามันเป็นอยู่กายยื้อยู่ใจว่านี่ ไนซ่อมไปซ่อมไปไกลหังเกศ จ, จะใช้ซ่อมเกศไปไกลมันเบืองในมันเบิงจะของเนี่ยเบือแต่อืนเน๊ะตามันเดียวโทโขกคุณไปม่องไปเห็นไปเบืองเจ๊ไก่คนละไปซ่อมไปซ่อมอืนคนละบดีนะบอดีห้าวฮัดซ่อมจะของจาาหันฮัซ่อมจะของมันถึงมีนิไซอันนึงดีขึ้นมากเด้ไซมันดูแลเจ้าของ ทานดูแลเจ้าของแล้วมันมีแนวดีห้ายหลายอยู่ในเท้านีุมันสีเห็นอันใดเท้าบอดีแน่ น, นอันใดเท้ามันสกปรกอันใดเป็นนาล่างเกียดเท้าก็จีได้เอาออกกันตัวคือจังอันเท้าบอดีซองมืงเก็บของจระเคลือนี่นะบไดีซองกระจุกเบืเ้องจระเคลือดเนี่ยบัดมือหนึงงงง่งไปซ้อมเบื้องไปไปซองเบื้องกระจุกคนเห็นโอ้ยมีดินเหมาอปิด อาจล่าชื่นอาปากเจ้าองเนี่ยนั่นแหละเข้ากระตีเดทศออกเจ้าหลนั่นแหละกานเข้าซ่อมเจ้าของมันมันซ่อมเนี่มันมันซ่อมมันก็ทิสะอาดอยู่เรื่อยร่างคนบาซ่อมโดนเดือนหนึ่งคุณยังมาซ่อมหนึ่งเจ้าของเดือนหนึ่งกยจัดเป็นสยามตายเขามาจั้ดนจัเดือนแล้วจัดมันมุกติดมันดำอยู่แต่ย่ำเล เท่าเยซอมอยู่เดื่อยมันก็สะอาดเรื่อยนะแล้วมันก็มีีกเนี่ยขันซ่อมแล้วเบิ้งเอออันนั้นเท่ากับบท่านดีอันนี้ก็บท่านดีขันซื้เงมาวัดมีคนผ่ารักษาศีนศีนขอนึงว่าบวให้ขาสัตว์กอด้องบวชให้รักษาอสามบวชกับพุทิเนตกมกอที่บวให้สวยบวให้สวยบวให้รวกขึ้นยาบวช้บวเผยเจยวบวให้บวชเลวไหลนี่แหละ ปอหาบอ้กินแนวมันติดท่าหาเมาถ้าหายพวูหจักคว่วมอถ้าเขาชอบมึงเลยเออัแนแมวมึง น, นี่กูเป็นบนอโตัวเฮานี่เป็นบอเฮ็ดบอแนวมึงเนีเ่ยเมันกับละเอียดเมื่อกับที่เขาไปช่วยนะอะไรเราเพินว่ารักษาฉินการรักษาฉินการละมัดล่างตัวโยฟองแน่นี่ยมันไปเป็นกําลังอยู่งไม่ใจนีย่ย มันใส่ฟงใส่งน้ามู่ในใจใส่ฮ่งใส่เครื่องมือในใจอย่างนี้ใจเข้ากับสิหอมสีเย็นเข้ามาวัดี่ก็เพื่อจิตยึดฮัดเอาความม่ำหอมคว่ำเย็นในใจเห็นละไหนยินว่าอยู่วัดอยู่ว่ามันหอมมันเย็นผู้ที่เข้ามาอยู่ในวัดก็เป็นผู้ร่มผู้เย็นโบไม่ผู้ฮ้อนเป็นผูดดี ป็นผู้มีในใสิสดีเป็นผู้มีความคิดผูมอ่านดีมีผูมประปฏิบัติดีนะเทากมานน็มากมากกรเดยเทาปฏิบัติ็เป็นประเด็จลุ่มลมเย็นด้วยกันแล้วแต่ขันมากรือ่เอาพวกเพงกับพได้รอยู่ดนที่ซื้ อ, อยู่ดนกับพได้วิทีซ่อมแ็่ของต่อไปกันซ่อมเมงว่าขึ้นว่าให้ตั้งสถิสมนต์ฮด้วยกัน สติเมันหยัง่งกับพท่นหูจักก็เพื่นกระบอกห่งฟังสติมนระลึกระลึกนึกน่นนนะขึ้นไปใส่น่นนะนั่นแหละสติแปลว่าระลึกอันระลึกไปปุ๊บระลึกแบบไม่ละเนี่แบบพระพุทธเจ้าบ่เม็นแบบขึใใ้นไปเห่าแต่เกาแต่เกาเห่าระลึกไปตัวระลึกไปคือยางคือแนีย้ยน่ะ อันมองมันบอกเห็นมาถึงกับระลึกไปได้ยังยังครัวโรคเหนือครัวโรคไตอันไม่รีกาบอใไม่ทีรับบ่ไน่ทำไม่เหี้ยงมคืดไตมัดอันน้ว่าท่านีิ่งคืดไปได้ระลึกไปบัดนี้เ้าระลึกแบบใหม่แบบพระพุทธเจ้าระลึกมหาเจ้าของเนี่ยการคว่าระลึกมหาเจ้าของเราโบ้เคยบเคยได้ยินจเคืออันเนีย แล้วห้องก็บอกเคยระลึกมาหาเจ้าของจักเถื่อนแฟนเพื่อนว่าขึ้นเลยโอ้แมนอินนี้เว้ยห้าบอเคยระลึกมาหาเจ้าของจักเถื่อเลยบ้านนี่ระลึกมากพอระลึกกลับมาเฮ้เห้องอยู่จังไดนั่งอยู่จังไดดีที่มากก็คิอมันจะตีเห็นตัวอันนี้มันิีหูจักตัวของโอ้ห้างนั่งยู่ว่าเลยเนะี่ยมีละท่วมรู้ไม่ได้เนี่ย ทั้ง้งี่นั่งไมกก่จุดกลดไดมเนี่ยเึ่ น, นว่าเท่าก็้ะท่ายแล้วนะลูกเต๋าเนว่าท่านผู้จัด ก, ก็เป็นควรรมรมู้ไหมว่าควอมูตัวควมมูตัวเกิดขึ้น ม, มาเนี่ะกาลังดีระบัดเนี่ยนั่นแ่นั้หละมันระลึกมาเรื่อยมันซ่อมควมซ่อ ม, อมจ้ของอยู่เรื่อยทุกทีเมันจะกได้ผลดีขึ้น ม, มาคือควมมูตัวมันขวอมรูตัวยืดโดนๆแล้วใจังนกวันนี้ไปไกล ใจนุสติมีําลั่งป็นสมาธินะนี่แหละส่นมะพรุมสมาธิมะพุษกี่ทีละข้าวหุงกี่ทีะะก็พรุเอาได้นีมมันซ้อมเจยาของเว้ยมือเนี้เยเอาไดเฮ็ดตะโบ่ันแนวดีๆนดเนี่ไปเฮ็ดอะรเนีมันกลเห็นว่าโอ้พะท่านไปเฮ็ดนี่จะไปคุยกูดนั่นไปลงกุดนี่กูดหาเนวไปทัวกูดหาเนีน่อื่นอันบรมเนแนวภาวนา เขาก็นเศา้ากับขึ้นม่ามะ ภ, ภาวนาภาวนานี่มันซ้อมเจ้าของนี่แหละภาวนาซ่อมใจบ่ห้ใจมันนี้ไปทั่วน่ะแหละเป็นภาวนากันเท่ามันอยู่เลยมันซ่อมมันซ่อมอยู่เรื่อยเนี่ยมันกับเปลี่ยนเน่ยเนี่ยเป็นใจเป็นสมาธิเป็นนีสสังลังแล้วเป็นว่าดีกว่าใดแน่วอื่นใดเสร็ใจใดพ้อยใดเงืนนององ่อนใดช่องยังโบยังโบเย็นใจยังโบหอมใจโบเย็นใจ เบิกหวานใจทุกันไดส้สมารถทีเดชไม่ชีชละวิธีเอาเนี่ยยี่สิมาดูคือเห็นวัไม่บัดสมวัตมนั่นคือส่อลักตณะขินลักษาะินไก่สัจจกมันมันทีมันถวนั ว, ว, ถวนุบที่วัวน์จะอยู่ไปให้มันได้มือหนึ่งสื่อสือจริงจโบแมนได้ต้องเอาให้มันหอดลายภาวานาเหมือนเป็นีเหลวเนี่ยส ว, วยสวทุกคนเอาให้มันหอดภาวานาก็าจัง คิดมันสงบไปมันคิดมันเป็นแนะเกิดมาน้าเขาแล้วเป็นฟูเป็นคนแหล่งของจ๊บคว่ำแล้วว่อของจักแล้วมันย่างซี่ีโอกาสไปอยู่างที่ดีจะมี่อันบ่เอาอันบ่เอาแล้วมันแนวซัวได้มันมากมีแต่แนวซัวซัวทั้งนั้นแหะมานสนบนมันระบาดระว่างเกิดของ